มาโดยลำดับถึงหมวดสุดท้ายที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นแห่งข้อสัมมาทิฏฐิต่อไปอีกหรือท่านพระสารีบุต <c oughs> รกล่าวตอบว่ายังมีปริยายคือแทง คือทางแสดงอย่างอื่นต่อไปอีกและท่านก็ได้แสดงอธิบายต่อไปอันนับว่าเป็นหมวดสุดท้ายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักอาสวะรู้จักเหตุเกิดอาสวะ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 พระอวิชชาดับอาสวะจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะก็คือรู้จักมัชคือทางที่มีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายในข้ออาสวะกิเลส ท, ที่ดองกิจสันดาน ที่หมักหมมอยู่ในจิตสัญดานได้ชื่อว่าอาสวะจัดเป็นกิเลสอย่างละเอียดและกิเลสอย่างละเอียดนี้มีเรียกชื่ออีกคำหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมออนุสัยนี้ ก็แจกเป็นสามอีกเหมือนกันคือราคานอนุัยอนุัยคือราคะปฏิคานอนุัยอนุัยคือปฏิคอวิชานุัยอนุัยคืออวิชชาเป็นกิเลสอย่างในเอียดอีกเช่นเดียวกันคำว่าอาสวะปรับอนุสนี้แม้ว่า จะมีชื่อเพี้ยนกันอยู่ก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันเมื่อแสดงถึงอาสวะหมายถึงอนุสัยรวมอยู่ด้วยเมื่อแสดงถึงอนุสัยคือเมื่ยยกอนุสัยขึ้นแสดงก็หมายถึงอาสวะรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะแสดงชื่อใดชื่อหนึ่ง ก็เป็นอันว่าหมายถึงทั้งสองนี้รวมอยู่ด้วยกันและเมื่อกล่าวว่าอาสวะอนุัสเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็ย่อมจะมีกิเลสอย่างหยาบและกิเลสอย่างกลางอีกด้วยซึ่งก็ได้มีแสดงไว้กิเลสอย่างหยาบนั้นเรียกว่า วีติกรมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ร่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้แก่โลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอย่างแรงที่เป็นตัวอกุศลละโม คือเป็นรากเงาของอกุศลทั้งหลายก็ได้แก่รากเง้าของอกุศลละ ร, รัมดังที่เรียกว่าอากุศลกรร ม, มบททางของกรรมที่เป็นอกุศลอกุศลกรร ม, มบททางของกรรมที่เป็นอกุศลนั้นก็แจกเป็นสามคือเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่ และมโนกก ร, รมสามกายกรรมสามนั้นก็ได้แก่ปานาธิบาตทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงปัดคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอทินนาทานคือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยจิตใจเป็นขโมยคือจิตใจคิดจะลัก กามเมสุมิชชาจารย์เราพฤ้นผิดในกามทั้งหลายเมจีกรรมสี่ก็คือมุสาวาตพูดเท็จปิสุนาวาตพูดส่อเสียดพนุสาวาตพูดคำหยาบสัมผัสปลาปวาัตพูด โปรยประโยชน์คือพูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลมโนกรรมสามก็คือภิชชาโลบเพ่งเลงซับสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญมิจฉาทิฐิเห็นผิดจาก ทำนองครองธรรมคือว่ากรรมที่กระทําไม่มีบุญไม่มีบาปเห็นว่าไม่มีเหตุคือผลที่ได้รับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความเสื่อมเป็นความเจริญต่างๆไม่มีกรรมที่ทําดีหรือกรรมชั่วเป็นเหตุแต่ว่าผลทั้งปวงเหล่านี้มันเกิดขึ้น ตามคราวตามความบังเอิญเป็นต้นไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้มาเป็นเหตุเห็นว่าทุกๆุกอย่างไม่มีคือข้อที่นับถือว่ามารดาบิดามีคุณ น, นั่นก็ไม่มีข้อที่ถือว่าทาทานหรือบูชาต่างๆมีนั้น ก็ไม่มีไม่มีสมณพราหมณ์ูประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เด็กว่าดีสิ่งที่เด็กวัดชอบไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าเป็นต้นอกุศลกรรมมาบททางของกรรมที่เป็นอกุศลย่อมประกอบด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามดังกล่าว บังเกิดขึ้นก็เพราะมีเจตนาอันประกอบด้วยกิเลตกองโลภกองโกรธกองหลงดังกล่าวซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยากคือบังเกิดขึ้นรุนแรงจนถึงให้ละเมิดออกไปทางกายทวารเป็นกายกรรมทางวจีทวารเป็นวจีกรรมทางมโนโทวารเป็นมโนกรรมดังกล่าว จึงเรียกว่าวีติกมะมกิเลสกิเลสที่เป็นเหตุให้ลวงละเมิดพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดว่าอีกชื่อหนึ่งว่ากรมมกิเลสที่ตัดแสดงเอาไว้สี่คือปานาติบาตินนาทานกามามิจฉาจารและมุสาวาต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 ในขณะที่ประกอบกรรมอันเป็นอกุศลแกรรมบก ห, หรือที่เป็นกรรมกิเลสดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหยากรู้วีติกมกิเลสกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกทางไตรทวารกรรมทั้งสามดังกล่าวนั้นกิเลสอย่างกลางคือกิเลสที่บังเกิดขึ้น เป็นนิวร อ, อยู่ในจิตใจคือทำจิตใจไม่ให้พบกับความสงบและทำปัญญาให้เสียให้สามคือไม่ให้เกิดปัญญาที่เรียกว่า น, นิวรหรือที่เรียกว่าปริยุฐธธานะคือกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มหรือที่เรียกว่า ปรญญุฐานะคือกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ่มวุ่นวายกระสับกระส่ายจึงทำมาปรญยุฐธธานะที่มาจากคำว่าปรนสนมโจนที่เข้าปรนสนมในบ้านเรือนของผู้ใดก็ทำให้เกิดความกาหนอนละมานเดือดร้อนวุ่นวาย สั์สินเสียหายหรือตลอดถึงเสียชีวิตเลือดเนือ้อกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจก็ปล้นจิตใจทำจิตใจให้มุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนทำลายธรรมะในจิตที่เป็นส่วนดีส่วนชอบต่งตางๆ เหมือนอย่างโจรเข้าปล้นทำลายทรัพย์สินต่างๆที่ในเมือเป็นกิเลสอย่างกลางนั่นก็เพราะบังเกิดขึ้นในจิตใจไม่ถึงให้ละเมิดล่งออกไปทางไกละะวานเป็นกรรมดังกล่าวพระพุทธเจา้าได้ทรงแสดงนิวร์เอาไว้ก็คือกามาฉัน ความพอใจรักใคร่ในก ร, รมคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือว่าความพอใจรักใคร่ด้วยอำนาจของก ร, รมคือความใคร่ความปรารถนาทั้งหลายพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองทีนอมิทะความงุ่งงุลเพลิบเพลิน ปุทธจากรภุขจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิจชฉาความเคลื่อแปลงสงสัยก็ย่อลงในกิเลสกองโลบกรดลงหรือราคะโทสะโมหะนั่นแหละที่นับว่าเป็นอย่างกลางก็คือมันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจทำกิจกลัดกลุ่มทำให้ไม่ได้สมาธิ ทาให้ไม่ได้ปัญญาการปฏิบัติทางกรรมฐานแต่ว่าไม่ค่อยได้สมาธิไม่ค่อยได้ปัญญาก็เพราะนิวรณ์นี้เองหรือปริยุทธฐานะกิเลสเหล่านี้เองไม่สงบไปจากจิตใจยังมังเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเป็นนิวรณอยู่ในจิตใจเป็นปริยุทธฐานะ คือปล้นจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาต่อเมื่อสงบนิวรณ์เสียได้หรือว่าสงบปริยุท ธ, ธานะคือกิเลส ท, ที่ปล้นจิตทำจิตใจให้กลัดกรุ่มบุญวายนี้เสียได้นั่นแหละจึงจะได้สมาธิจึงจะได้ปัญญาการปฏิบัติกรรมาฐานจึงจะสำเร็จเป็นขั้นตอนขึ้นไปใน กิเลสอย่างละเอียดก็ได้แก่อาสะวะสามคือกามาสะวะภาวสะวะอวิชชาสะวะหรืออนุสสยสามคือราคานุสสยปฏิคานุสัยและอวิชาอนุสสยดังที่กล่าวแล้วสำหรับอาสะวะและอนุสัยอันเป็นกิเลสอย่างละเอียด ที่แสดงไว้เป็นสองชื่อนี้ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุัสก็ได้แก่ราคานอนุัสอนุสัยคือราคะกามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจ การกับราคะนั้นก็หมายถึงกิเลสกองความยินดีด้วยกันราคะความใคร่ก็เป็นกิเลสกองยินดีราคะความติดใจก็เป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าชื่อจะต่างกัน ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันข้อสองในส่วนอาสะวะได้แก่ขวาศสะวะอาสะวะคือพบที่แปลว่าความเป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราอันเรียกว่าอัตตมิมาณนะ หรืออัตสมิทิฐิหรือว่าเรียกรวมกันว่าอัตสมิมานะทิฐิความเห็นนับถือว่าเรามีเราเป็นคือเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นตัวภาวะหรือตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิมในทุกๆคน เมื่อมีเรามีของเราเป็นของเราขึ้นเรานี้เองก็เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเราคือเป็นเราขึ้นก่อนซึ่งเป็นตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิมนี่คือพบในส่วนอนุสัยข้อสองได้แก่ปฏิคาอนุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งดูถ้อยคำแล้วต่างกันแต่ว่าเมื่อดูความสัมพันย่อมจะเห็นว่าสัมพันธ์กันอย่างใกล้คิดคือว่าจะต้องมีพบความเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราขึ้นมา ยังมีปฏิฆะขึ้นมาได้คือมีที่กระทบกระทั่งตัวเราที่เป็นตัวพบนี่แหละเป็นที่กระทบกระทั่งความกระทบกระทั่งจึงมีได้ถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพบกับปฏิฆะนั้นจึงสัมพันธ์กันดังนี้ และเมื่อยกขึ้นว่าปฏิฆะความกระทบกระทั่งก็ต้องหมายว่าต้องมีสิ่งที่เป็นที่กระทบกระทั่งคือมีตัวเราอันเป็นพบอันเป็นที่กระทบกระทั่งหรือเมื่อกล่าวว่าพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราก็ต้องหมายถึงว่าจะต้องมีความกระทบกระทั่งขึ้นได้แล้ว ราะม่ที่กระทบกระทั่งฉะนั้นจะยกขึ้นว่าพบหรือยกขึ้นว่าปฏิฆะก็ย่อมเป็นอันเดียวกันมีความเนื่องถึงกันดังยังพเห็นดังยังพึงเห็นได้ว่าบุคคลทั่วไปเมื่อมีใครมาสันเสริญว่าในกอนางขอ ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตัวในกอหนังคอนั้นย่อมมีตัวพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเราคือมีตัวเราอยู่ในในกอหนงอังคออันเป็นตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิมนังกล่าวนั้นตัวเราซึ่งเป็นในกอหนังคอนั้นก็ออกรับคำเสนญ คำสเสริญนั่นก็แปลว่ามีที่กระทบเพราะว่ามีตัวเราของในกอนังขอออกรับก็มีปฏิฆะคือการกระทบขึ้นแต่ว่าเป็นการกระทบในด้านทำให้ยินดีเราเป็นคำสันเสริญแต่ถ้าเป็นคำดินทาว่าร้ายตัวเราของในกอนังขอก็ออกรับคำนินทานนั่นก็มากระทบตัวเราของในกอนังขอเข้าก็เกิดความ หัดใจยินไรแต่ถ้าหากว่าในกรังขอนนั้นไม่มีตัวเราออกรับคําสนเสริญหรือนินทาคําสนเสริญหรือนินทาของใครๆนั้นก็ไม่มากระทบเพราะว่าในกรังขอ น, นั้นไม่เอาตัวเราออกรับเมื่อไม่เอาตัวเราออกรับ คำลินทาหรือสัเสริญทั้งปุ่นนั้นก็ผ่านไปผ่านไปไม่ทำให้บังเกิดความยินดีไม่ทำให้มังเกิดความยินร้ายเพราะว่าไม่มีตัวเราของนายกรองคอออกรับการกระทบแห่งคำสรนเสริญหรือคำนินทาดังกล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูที่จิตใจของตนเองของทุกคนแล้วก็จะรู้สึกได้เมื่อเป็นเช่นนี้ เวลาใครเข้ามายกย่องก็พอใจกระหอกมีตัวเราออกรับมีใครเข้ามานินทาว่าร้ายก็ขัดแค้นโกรธเคืองก็เพราะมีตัวเราออกรับคือออกรับการกระทบการกระทบควาบังเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าปฏิขานัันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องทําสติให้มีความรู้ดังนี้ และไม่เอาตัวเราออกรับแต่ว่ารู้ได้ยินเห็นแต่ไม่เอาตัวเราออกรับไม่เมือม่อเมื่อเมื่อไม่เอาตัวเราออกรับการกระทบก็ไม่มีการกระทบเทวปฏิฆะนั่นก็ไม่มีก็ไม่ทำให้จิตใจบังเกิดความขึ้นลงจิตใจคงสงบเป็นปกติในเมื่อไม่มีปฏิฆะคือการกระทบความยินดีความยินไา่ต่างๆ ตลอดจนถึงกรรมต่างๆที่สืบเรื่องไปก็บังเกิดขึ้นเพราะมีตัวเรานี่แหละออกรับปฏิฆาคือการกระทบกับบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพบกับปฏิฆานี่จริงเนื่องกันดังนี้ในส่วนข้อสามนั้นก็ได้แก่อวิชชาสะวาอาสะวะคืออวิชชาและ อาวิชาอนุสยัยอนุสัยคื อ, อวิชาซึ่งเป็นอันเดียวกันต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทความสงบสืบต่อไป